ได้รับแรงใจจากทุกท่านในวันนี้ได้รับทุกเกียรติยกย่องอย่างสมศักดิ์เป็นเพราะผลงานหลายปีรวมสามสิบปี ผลงานคือเสราเซมาม อ, อบจิตอาสาบูชาพระพุทธองค์สมเด็จพระเทพพระนรานราชสุดา มาจากยังคงดำรงความดีสืบป้า จัดสรรรางวัลอันทรงคุณค่าเกียรติประวัติผลงานคือเสราเซมามอบจิตอาสามูชาพระพุทธองค์สมเด็จพระเทพพระรัานชาสุดา เสาเมามานคงความดีเป็นเหตุเหตุผลความดียืนยงเสาเสมารรมาจากยังคงดำรงความดี